ทำด้วยใจย่อมเป็นการฝ่าฟื้นเป็นของธรรมดาทั้งหลายอยู่บ้างเพราะธรรมดาน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอไหลไม่หยุดไม่ยัง้งจนไม่มีน้ำที่จะไหลมีเป็นกติธรรมดาของโลกจิตใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน แต่ทนี้เวลาเราฝึกฝนอบรมทางด้านสื่อธรรมเพื่อความเป็นคนดีเราจึงต้องใช้ความอดความทนความฝ่าฟื้นความอดกลั้นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเครื่องกระทบกระเทือนจิตใจของเราให้เกิด ค, ความทุกข์ความลำบากเราต้องฟื้นอารมณ์เช่นนั้น บังคับจิตใจให้ดีด้วยครับใจเป็นสมบัติมีคนน่าพระพุทธเจ้าที่มีค่าให้โลกได้กราบไหว้บูชาอย่างนี้เพราะผลของการฝึกผลอบรมพระองค์ถ้าสาวกที่เป็นพระณะของพวกเราได้กราบไหว้บูชาอยู่แรงนี้ก็เพราะท่านฝึกผลท่านอบรม เพราะผลแห่งการสุดผลอบรมท่านจึงเป็นผู้มีค่ามีคุณค่ามากพระธรรมที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังและปฏิบัติตามจนปรากฏผลตามกำลังแห่งการกระทำของตนโดยลำดับลำดับมาก็เกิดขึ้นจากการอดการทนการฝุดผลเพรมานของพระพุทธเจ้า เมื่อสรุปความแล้วเรียกว่าของดีเกิดขึ้นจากการจุดฝนการอบรมการฝืนธรรมดาการอดกั้นขันตินี่เป็นสิ่งที่น่าปรานทั้งหลายท่านชมเชยเราจึงพยายามฝืนจิตใจของเราตามธรรมดาจิตใจที่ห้อมล้อมไปด้วยกิเลสทั้งหลายนั้นจาไม่พาเราให้หรับความสิดความสบาย มันจะต้อ ง, อ ย, ง ย, ยุท่านนั้นแย่ท่านนี้กระซิบเรื่องนั้นกระทิบเรื่องนี้ก่อควรอยู่เสมอให้จิตของเรามีความชอกช้ําขุนมัวถ้าเราความเชื่อความคิดเช่นนั้นไปมากเพียงไรก็ยิ่งจะก่อความบอมบท้ำจิตใจของเราได้มากเพียงนั้นท่านจึงสอนให้มีคติให้มีปัญญาใค่อยควร ในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขึ้นเป็นของไม่ดีนั้นแล้วพยายามแก้ไขด้วยความฝืนจิตฝืนใจแก้ไขด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นขันอีมีนักปราชญ์ท่านทงเจรท่านสัเสริญเพราะจิตจะดีขึ้นเราจะดีขึ้นได้ด้วยการฝึกการข่มจิตใจหรือการทรมานจิตใจของตนแม้จะยากลําบากก็เพราะการต่อสู้กันกันกบสิ่งไม่ดี ต้องได้รับความทุกข์ความทุกข์ในการต่อสู้นั้นถือเป็นเรื่องผลของความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากงานไม่เป็นความเสียหายอันใดแต่ความที่เสียหายนั้นเสียหายเพราะการคล้อยตามสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายโดยไม่ยับยัง้งโดยไม่คิดอ่านแกะกรองโดยไม่หักห้ามต่างหากอันนี้เป็นความเสียหายนักป่าทั้งหลายท่านเป็นผู้อดผู้ทนทั้งนั้น เราเป็นลูกศิษย์ของนักปราชญ์ก็ให้พยายามอดทนเรื่องอารมณ์ต่างๆเราอยู่ในโลกย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ทั้งวันทั้งคืนกับโลกทั้งหลายภายนอกที่จะต้องเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับโลกภายในคือตาหูจมูกร่างกายใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นจะต้องมีความดีความชั่วความตมิจิุกฉมอารมณ์ต่าง ๆ, ๆที่มาจากทิศ ต, ต่างๆ ร่วงไหลเข้ามาสี่ตาสูหุสู่ใจของเราให้ต้องได้รับความํำบากกับผิวหนั้นจมูเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องกันกรองคือคติตัญญาแล้วมีการหักห้ามมีการต้านทานด้วยความพยายามด้วยขันติความอดความทนนี่เป็นความถูกต้องสำหรับผู้ปฏิบัติ จะปล่อยให้เป็นไปตามใจนั้นมันก็ยิ่งนับวันทวีรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะใจนั้นเป็นใจที่กิเลสมันกลักดันออกมาไม่ใช่มันเป็นขี่มาธรรมดามันเป็นขึ้นมาด้วยอารมณ์ของกิเลสต่างๆต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องหักห้ามต้านกลางเอาไว้เราก็พอดูได้เราพอมีความสุขบ้างในขณะที่ต่อสู้กันเอาเป็นเอาตายก็สู้กัน สู้กับอารมณ์ของตัวเองไม่เป็นไรแต่จะไปสู้คนอื่นเท่านั้นเองมันเป็นความเสียหายเป็นความกระทบกระเทือนถ้าสู้กับความไม่ดีของเราความคิดที่ไม่ดีของเราด้วยความดีของเรานั้นเป็นความถูกต้องดีงามนางท้าพุทธเจา้าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามจะไม่มีใครที่จะรับค ว, ความกระทบกระเทือนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า ในขณะประกอบความภาคเพียนก็ได้รับความทุกข์ความลาบากแสนสาหัสแม้ได้มาเป็นศาสดราของโลกแล้วก็ไม่พ้นจากโลกกระมำืี้เียจประทบประเทือนพระองค์ดังตำราท่านพูดเอาไว้ขือนางมาคันถินงจ้างคนไปด่าไปว่าพระพุทธเจ้าตามสายทางที่พระองค์บินสเสด็จบินขบาไตไป ไอไอูดไอลาไอหัวโลนโกลชิ้วไอขอทานนะว่าจ้างเด็ก จ, จ้างผู้ใหญ่จ้างแต่หมดไปที่ไหนเขาก็บ่าลั่นละหมดเป็นแถวเลยจนข้า น, นนเกิดความคล้อยเขินกว่าเกิดความอิหนาหราอายใจทูลพระพุทธเจ้าอาราธนาพระพุทธเจ้าไปสู่ที่อื่นๆบ้านนี้ไม่สมควรที่จะอยู่เพราะมีแต่พวก เป็กพวกผี อ, อะไรทำอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าแทนที่จะปฏิบัติตามพระอนุลเนี่ยทรงย้อนถามพระอนุนอยู่ด้วยว่าเมื่อไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นนั้นน่ะถุอะหากไปโดนเอาอย่างนี้เขาอีกล่ะอนุน์จะไปบ้านไหนเมืองไหนพราะโลกไหนบ้านใดเมืองใดมันก็เต็มไปด้วยโลกธรรมเหมือนกั น, นก็ไปบ้านโน้นถ้าบ้านโน้นเขาว่าอีกล่ะ ทักถามไปทัก ม, มาพระอานอนท์ก็มีคํำจะตอบอืพระองค์จึงได้ทรงตักเตือนเราอยากคิดเช่นนั้นเป็นความผิดอนอนท์อยูที่ไหนก็ตามเราเรียดตะก่อนช้างออกสู่สงครามเวลามีการยกคณะสงครามอย่างนี้พระราชาออกหน้าทีเดียวพอเด็จขึ้นสู่คอช้างแล้วก็เข้าสู่สงครามเราเป็นเหมือน ช้างตัวเข้าสู่สงครามนั่นเลยอนุย่อมไม่มีความท่านคึงต่อลูกศรที่จะมาจากทิศต่างๆจนกระทั่งเราตายเสียเมือ่อไรการที่จะถอยทับกลับแพ้นั้นไม่มีต้องเข้าสู่สงครามด้วยความอ ง, งาอาจกล้าหาญเพื่อชัยชนะท่าเดียวเท่านั้นข้อนี้ก็เทียบกับหน้าบวชของเรา ดีเราก็ต้องไในพบชั่วต้องในพบพบเพราะเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งความดีความชั่วแห่งความเจรเสริญนินทาขึ้นเป็นโลกธรรมทั้งแปดดูที่ไหนก็มีแต่สิ่งแบบนี้เต็มไปหมดเราจะจิกตัวไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้แล้วล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของมัน เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นตัวของเราเองก็สบายโลกธรรม ท, ทั้งหลาย ก, ก็อยู่การภาพของเขาเมื่อสึงไม่ดีอะไรเกิดขึ้นเราต้องชำระมันอยู่ที่นั่นเดไปชำระที่นั่นว่าที่นั่นจะดีว่าที่นี่จะดีถ้าเมื่อเราไม่มีสติปัญญาที่จะชำระแก้ไขสิ่งไม่ดีนั่นได้แล้วในสถานทีน่นี้ไปสู่สถานที่ใดมันก็ไม่ดีเหมือนกันต้องแพ้มันเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณา สู้รบกับสึ่งไม่ดีทั้งหลายด้วยสติปัญญาตัตตาความเป็นของเราจนเป็นที่เข้าใจกันได้แล้วเราไปอยู่ที่ไหนก็สาบายไม่มีอะไรมารบกวนให้เราเกิดความวุ่นวายนี่ท่านสอนอย่างนี้เราเป็นนักปฏิบัติก็พึงพากันรำพึงถึงทำข้อนี้ให้มากมันเป็นยังไงขึ้นมาภายในจิตใจให้ชำระอยู่ที่ตรงนั้น จะไปคิดว่าไปชำนาญที่นั่นจะดีไปชำนาญที่โน้นจะสบายไปอยู่ที่นั่นจะดีถ้าตัวนี้มันไม่ดีอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีถ้าตัวนี้ยางแก้มันไม่ได้แต่อันนี้เองละที่มันจะไปดึนพิกเป็นภัยวุ่นวายเราให้รับความเดือดร้อนก็คือตัวที่แก้มันไม่ได้ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเนีแ่แหละเพราะฉะนั้นให้ตักจิตลงพิจารณาที่ตรงนี้เอา ความทุกข์อารมณ์ต่างๆที่เกิดภายในจิตใจนั้นเป็นสนามรบเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารนาย่างสติปัญญาเข้าไปสู่ที่ถุดนั้นถือให้ถือจะว่าเราเป็นค่าสึกกับเราไม่มีความเสียหายอะไรเรารบกับเราเราแก้ไขกับเราอารมณ์มันไม่ดีขึ้นมาหนีในใจดวงเดียวของเราเราแก้ด้วยสติปัญญาซึ่งเป็นของดีและก็เกิดขึ้นจากใจอันเดียวกันนี้ แก้สิ่งไม่ดีลบล้างสิ่งไม่ดีนี้อันมันหายสูญไปโดยลำดับเราจะมีความสุขมีชัยชนะขึ้นมานี่เป็นจุตที่หมายของการอบรมภาวนาเวลาจิตใจวันฟุ้งซ่านในเวลาภาวนาก็เราจะถือความฟุ้งซ่านนี้เป็นที่ปรีกตัวเป็นที่ดยดเป็นเหตุให้ดีดแต่เราให้ถือเอาความฟุ้งซ่าน ที่บังคับไม่อยู่นี่แหละเป็นตัวเหตุที่เราจะต้องบังคับมันต่อไปเอาจนเห็นดําเห็นแดงกันจนได้ชพยชนะแล้วปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมานั่นเป็นความถูกต้องของผู้ลบฆ่าศุดภายในจิตใจของตนที่เรียกว่าเป็นสงครามขั้นเอกสงครามอันนี้เมื่อล บ, บชนะแล้วไม่มีที่จะกลับแพ้ได้อีกตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่า โยธาสร้างชาเซนะสร้งางงามเมมนุเซคินเอเกันจะชชิมัตตาหนังสเวสวสร้างงามชุดตะโม ก, การชนะสงครามทั้งหลายดังที่โลกชนะกันนั้นคูณด้วยพันคูณด้วยล้านก็ต่างไม่จักว่าเป็นผู้ชนะอย่างเดกได้เลย แต่ผู้ใดามาชนะที่เล็กภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้ประเสริฐในโลกไม่มีความชนะใดจะประเสริฐยิ่งกว่าการชนะตนเองท่านกล่าวไว้ในหลักธรรมทา่านขอให้ป่ากันจะนำปิมิตพิจนาในช้ความอดความทนความอุตสาห์ภยายาเราตั้งหน้ามาบำเพ็ญมาบำเพ็ญชิ้นํำเรื่องความตุกความทุกข์เราอยู่ที่ไหนมันก็มีที่นั่นแหละ สัตว์โลกมีที่ไหนใจเรามีที่ไหนที่เหลอะมันมีที่นั่นมันก็แสดงขึ้นมาเราจะถือเป็นอุปสรรคเป็นความจําเป็นแต่ให้เราถือว่าเป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่เราจะได้พิจารณากับสิ่งเหล่านี้เพื่อได้ความแยบายขึ้นมาจากของไม่ดีกลายเป็นของดีขึ้นมาเอาละอันนี้แสดงเพื่อนจะย่อเท่านี้